วันคืนล่วงไปให้อยู่อย่างมีเครื่องอยู่พระนี้เราต้องมีเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่นี่เราจะต้องมีเจตนาตั้งลงไปถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่กิเลสมันพาไปเครื่องอยู่ในทนี้ก็คือธรรมก็ได้ขอคิดดีเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้อาจารย์สุพลมาเขาบอกเขาแนะนํนำหมู่ว่า ให้ทุกคนมีบ้านอยู่ทําบ้านอยู่อที่จริงก็คือเครื่องอยู่นั่นแหละตามหลักท่านเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่ถ้าเราไม่มีวิหารธรรมเนี่ยจิตจะไม่ได้อยู่โดยธรรมในเมื่อจิตไม่ได้อยู่โดยธรรมแล้วก็จิตจะต้องวิ่งว่อนไปตามกิเลส จิตจะต้องพิงวันไปตามกิเลสคำว่าจิตมีเครื่องอยู่จิตมีบ้านอยู่ถ้าเราพูดให้ชัดลงไปก็คือจิตอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์มโดยธรรมอารมณ์โดยธรรมในที่นี้ก็ไม่ก็ไม่เกินคำบริกรรมนั่นแหละเพราะคำบริกรรมนั่นแหละเราหนึ่งหลักธรรมเข้ามาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธ, ธ, ธโดยคำบริกรรม พุทโธโดยเนื้อหาของของคําว่าพุทโธเนื้อหาของพุทโธโดยแท้จริงก็คือจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานจิตรู้จิตอยู่จิตรู้จิตเบิกบานก่อนที่จิตจะอยู่จิตจะรู้จิตจะเบิกบานจิตจะต้องมีเครื่องอยู่จิตจะต้องมีที่อยู่ที่อยู่ของจิตที่ว่านี้ก็คืออารมณ์ของจิตนั่นเอง ให้จิตเกาะอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์ัเดียวก็คืออารมณ์ของสมถะคือทาําจิตให้ได้รับความสงบหรืออารมณ์ของวิปัสสน า, ค, า, มสมนาคําว่าสมถะก็คือรู้อยู่กับสิ่งเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิปัสสนาก็คือรู้ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะที่เจรณาใคร่ครวญไล่ไปตามอาการของกายกําหนดจดจ่อไปตามอาการของจิต พิจารณาไล่เหตุไล่ผลต้อนเข้าไปต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาตอนเข้าไปให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแยกแยะรูปธรรมเป็นไงแยกแยะนามธรรมเป็นไงนี่คือเครื่องอยู่ของจิตถ้าเราไม่เอาอันนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตไม่ม ه, ีเครื่องอยู่แต่ถ้าจิตอยู่กับอันนี้เนี่ยจิตอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยจิตจะสงบจิตจะสงบพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์ เราเอามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตทําเป็นใหนที่ยึดของจิตเป็นที่พึ่งของจิตเป็นที่เกาะของจิตเป็นอารมณ์ของจิตพอเราทําไปทำไปบิกรรมไปบริกรกม<ป>รกมไปํากับไปํากับไปพุทโธโดยเนื้อหาที่แท้จริงก็คือทําให้จิตอยู่ทําให้จิตสงบทําให้จิตรู้ทําให้จิตตื่นทําให้จิตเบิกบานพุทโธแปลว่าพูดตื่นแปลว่าผู้เบิกบานพอมาถึงตรงนี้แล้วมันกลายเป็นผลแล้ว พอเราทําให้เขาได้รับความสงบมันจะต้องมีผลตามมาคือตื่นคือเบิกบานความตื่นความเบิกบานความสุขก็อยู่ในนั้นความอิ่มเบิกก็อยู่นั่นแหะความสุขของจิตความอิ่มเบิบของจิตมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากจิตตื่นจิตจิตเบิกบานตื่นจากอะไรตื่นจากความนุ่มหลงอะไรพอให้นุ่มหลงกินเลส ที่มันจะเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่กับจิตนั่นแหละมันจะพายเราลุ่มหลงมันหลงยังไงให้เราหลงไปกับอารมณ์เพลินไปตามอารมณ์ของมันอารมณ์รูปอารมณ์เสียงอารมณ์กลิ่นอารมณ์รสอารมณ์ถูกต้องโภตาภะอารมณ์น้อมนึกที่เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์เนื้อคิดไปตามเรื่องตามราวไปตามอารมณ์ไปตื่นเบิกบานรู้พิจารณาไม่ลุ่มหลงไปตามอารมณ์ มีความรู้ประจำมีความรู้กากับมีสติสติคือความระ ล, ลึกระลึกรู้ราลึกรู้ในปัจจุบันสมัยัญญารู้ตัวสติระลึกได้สมัยัญญรู้ตัวคุณธรทำสองอันนี้ถ้าเขาทำงานปะสมผสานกันจนกลมเปียวกันนะตัวนี้แหละเป็นตัวปัญญาเป็นตัวแสงสวา่างเป็นตัววิชาที่จะไปกากับจิตให้จิตตืน่นให้จิตเบิก บ, บาน ตื่นจากความลุ่มหลงถ้าเรายังลุ่มหลงอยู่ก็คือมันไม่ตื่นนั่นแหละคําว่ามันไม่ตื่นไม่ใช่ว่าเราจนหลับไม่ตื่นกิเลสมันดึงไปมันลากไปเราก็เพลินไปกับมันไม่รู้สึกตัวเพลินไปกับอํำนาจของกิเลสเพลินไปจนลืมเนื้อลืมตัวมันพาไปรักมันพาไปชังมันพาไปโกรธมันพาไปเกลียดสารพัดงดงดยิดยิดกังวลนั่นกองวลนี้ หมหงุดิดกับเรื่องนั้นมุดิดกับเรื่องนี้ลังเลสงสัยวิตกกังวลกระสับกระส่ายรีรีของขวางเคว้งเคว้งความข้างสารพัดที่มันเป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะจิตลังเลจิตสงสัยจิตเครื่องๆกลางกลางจิตรีรีของขวา ง, วางโอกาสที่จะปักใจกับงานอย่างไรอย่างหนึ่งมันปักไปไม่ได้ ทังเลสงสัยข้องใจปรับใจลงไม่ได้นี่มันไม่ได้กำกับอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วเนื่องจากเราปล่อยให้จิตตกลงรงใจไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นยังไม่จบคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไม่จบคิดเรื่องนั้นจะเอาอันนั้นก็เหลือนี้จะเอาอันนี้ก็เหลือนั้นตกลงรงใจไม่ได้หาที่ลงไม่ได้จะสงบอยู่กับอารมณ์เดียวก็สงบอยู่ไม่ได้จะเอาพิจารณาไปพิจารณาเกิด ประโยชน์ก็เรื่องก็เราซึงทราบไปตามวัต ถ, ถุธาตุทั้งหลายทั้งปวงของรูปกายนี่ก็คิดนึกไปไม่ได้พอเผลอสักหน่อยมันก็พาโ ด, ด ไ, ปไปไปเรื่องนั้น <_' co. S 1> เผลอสักหน่อยมันก็พาโดไปเรื่องนี้เผลอสักหน่อยมันก็พาโดดไปเรื่องนั้นโดดไปอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีที่ที่จอดไม่มีที่ว้นี่คือจิตไม่มีที่อยู่จิตจะมีที่อยู่เราจะต้องทําที่อยู่ให้กับมันการทําที่อยู่ก็คือการตั้งใจบริกรรมนี่แหละ ไม่ทิ้งคําบริกรรมอยู่กับคําบริกรรมคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธสมถะอยู่กับสมถะคือเอาให้จิตทําให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบเราก็น้อมมาสู่ความสงบนี่มันก็เป็นวิหารธรรมเป็นสุขวิหารธรรมนะเราน้อมจิตมาสู่ความสงบมันเป็นสุขวิหารธรรมน้อมไปสู่สติ น้อมไปสู่ปัญญาน้อมไปคลีล่คลายน้อมไปพิจารณามันก็มีความสุขมันก็มีความเพลินกับการกับงานที่เราพิจารณาไปเข้าใจสัจธรรมข้อนั้นเข้าใจสัจธรรมข้อน νη, ีอาาอยอยนน้เข้าใจอาการของกายอย่างนั้นเข้าใจอาการของกายอย่างนี้เข้าใจคติของกายอย่างนั้นคติคติของกายอย่างนี้มันจะซึมซื้งซับเข้าไปกับหลักธรรมชาติ หลักของสภาวธรรมหลักของสัตยธรรมนั่นแหละหลักของธรรมความมีของมันความเป็นของมันเราพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วมันจะทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจภาวะของกายอย่างหนึ่งภาวะของรูปธรรมอย่างหนึ่งภาวะของนามธรรมคือเรื่องของจิตนี่อีกอย่างหนึ่งมันมีภาวะคนละอย่างเรื่องของกายก็คือมีเหตุมีผลเกี่ยวกับเรื่องของกายเรื่องของจิตก็คือมีเหตุมีผลเกี่ยวกับเรื่องของจิตเราก็พิจารณาไปแยกไปแยกไป ให้รู้ความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างกายให้รู้ความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตให้รู้ความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างจิตคือนามธรรมกับนามธรรมและให้รู้ความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมนี่ภาวะของความมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเป็นอยู่อย่างนี้เราจะต้องกำหนดพิจารณาพิจารณาไปบางทีเราพิจารณาไปจิตมันอยู่กับงานมันก็ได้รับความสงบความสงบอันนี้ทําให้เราได้กําลังทําให้เรามีกําลัง อันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะเราพูดไปที่อื่นก็ไม่ใช่งานของเราแหละ ง, งานอันนี้แหละเป็นงานที่อยู่ในภาคสนามเป็นงานที่อยู่ติดตัวเป็นงานที่อยู่ใกล้มือเป็นงานที่มาเพื่อเอาเหตุเอาผลเอาอัดเอาทําจากมันตรงนี้อีกงานตรงนี้งานทําที่อยู่ให้กับจิตงานหาวิหารธรรมให้กับจิตเมื่อมีที่อยู่ดี มีที่อยู่ดีเท่ากับว่ามีที่อยู่มีที่หลบหลบแดดหลบฝนหลบร้อนหลบสัตว์หลบเหลือบหลบยุงถ้าจะเทียบเราจะเทียบไปแล้วสิ่งที่เป็นเป็นแดดเป็นฝนเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นเหลือเป็นยุงของจิตก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสนี่มันมาก่อขวนจิตมันไม่ต่างอะไรกับพวกแดดพวกลมพวกหนาวพวกร้อนพวกยุงพวกเหลือพวกยุงเนี่ยมาก่อขวนกาย สิ่งเหลนี้มาก่อควรมาเบียดเบีย น, นร่างกายฉันใดเหลือยุงภายในจิตก็คือกิเลสนั่นแหละเหลือเอยยุงเอ่ยความร้อนเอ่ยความหนาวเอ่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลส ท, ที่มันมาก่อควรจิตนะมันก่อควรยังไงกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตอ่ะมันก่อควรกอควรจิตยังไงมันก็หลอกจิตนั่นแหละหลอกจิตไปเป็นเรื่องเรื่องไปเป็นอย่างอยาไปนั่นแหละลองเราไม่กำหนดไม่พิจารณาดู มันหลอกพาราเพลินไปกับเรื่องนั้นพาราเพลินไปกับเรื่องนี้เพลินไปเรื่องรูปเพลินไปเรื่องเสียงเพลินไปเรื่องรักเรื่องชังเพลินไปเรื่องการเรื่องงานเรื่องยุ่งยากสารพัดปัญหาที่มันจะดึงเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงมันจะอยู่สงบลิ่งมันจะอยู่ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้วิตกเรื่องนั้นวิตกเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จนกิจเนตสับสนวุ่นวายไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุข ความไม่เป็นสุขเท่านี้ก็คือจิตมันคิดนู้นคิดนี้คิดไปคิดมาคิดมากข้ามันก็เดือดมันก็ดา น, นเกิดความเร่าร้อนดีเมื่อีอารมณ์ใดที่มันชัดชัดเจนลงไปมัดจิตจนจิตถอนไม่ได้มันดึงไปเกี่ยวกับเรื่องรักเพลินไปกับอารมณ์รักของมัน่ะมันดึงไปเกี่ยวกับอารมณ์ชังกับเพลินไปกับอารมณ์ชังนั่นแหละเครียดนั้นไปคิดนั้นไปคิดนี้เพื่อที่จะแก้แค้นด้วยเหตุแห่งการพยาบาท เสียใจกับเรื่องนั้นเสียใจกับเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้หวังจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามใจหวังเป็นไปตามใจชอบ MM. อความเปน็นไปของรูปธรรมกับความเป็นไปของนามธรรมนี่มันสวนทางกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่รูปธรรมจะเป็นไปตามอำนาจขอ ง, สสางนามธรรมคือจิตนี่นเป็นไปไม่ได้แต่จิตก็พยายามกะแล้วกะเล่าเกณฑ์แล้วเกณฑ์เล่า เกณฑ์รูปธรรมนับตั้งแต่ร่างกายนี่แหละจิตมันมักจะกะจะเกณฑ์ให้เป็นไปตามอํานาจของมันนอกจากนั้นแล้วก็กะเกณฑ์สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราอันนั้นขลางหูอันนี้ขลางตากะเกณ์ให้เขาด็กกะเกณฑ์ให้เขาถูกกะเกณ์ให้เขาทําให้ดีทําให้งามทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้อะไรต่ออะไรเพื่อให้มันถูกเจริญนิสัยเกิดความชอบใจเกิดความพอใจอะไรขึ้นมาไปกะเกณฑ์เสียทั้งหมดนี่คืออํานาจของกิเลส ที่มีอยู่ภายใต้จิตอำนาจของความอยากนั่นแหละมันพากะมันพาเกณฑ์มันไปเกณฑ์ที่ไหนได้รูปประธรรมมันก็มีเหตุมันมันก็มีปัจจัยของมันมันเป็นสภาวะของรูปประธรรมมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันนามธรรมมันก็เป็นเหตุมันก็เป็นปัจจัยของมันมันคนละเหตุมันคนละผลเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ตรงที่กําลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้จะทําให้เราระลึกรู้สึกแล้วก็ตื่นนะตื่นตัวได้ นึกละเอียดตามไปละเอียดตามไปย้อนไปย้อนไปย้อนมาย้อนไปด้วยเหตุย้อนไปตามเหตุย้อนไปตามผลหวังจะเอาสิ่งนั้นหวังจะเอาสิ่งนี้หวังจะอย่างนั้นหวังจะอย่างนี้หวังยังไงก็ไม่ได้อะไรสักอย่างในที่สุดจิตไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ได้อะไรสักอย่างเต็มกับเพลินไปกับอํานาจของกิเลสที่อยู่ภายในจิตมันพาคิดแต่ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่างเพลินไปกับความรักชอบนั้นชอบนี้ ชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ในที่สุดสมมติเรามีความต้องการเกี่ยวกับอาหารที่น่าอาริดอร่อยน่าโอชามีโอชะอันอริดอร่อยเมื่อเราได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็บริโภคเข้าไปจิตก็เพียงจะรับรู้เฉยๆร่างกายเป็นคนบริโภคเข้าไปเป็นคนมาขบมาเคี้ยวเป็นผู้มากลืนได้เป็นเรื่องของกายไปเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลของกายไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลของจิต ในทสุดจิตก็ไม่ได้อะไรอีกคือเก่าไม่ได้อะไรอีกเหมือนเดิมอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เปลี่ยนต้นรวมไปถึงว่าเรายึดอันนั้นว่าเป็นของเรายึดอันนี้ว่าเป็นของเราตลอดจนยึดสิ่งที่มีอานาจสูงสุดที่พาให้เรายึดเช่นอย่างยึดรปูปหญิงยึดรูปชายแล้วก็มาเสเวยให้ได้รับความสุขใ ห, ให้ได้รับความเพลินใจแท้จริงสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นแค่เป็นเพียงสะพานเชื่อมเท่านั้นเอง เสร็จแล้วเวลาทําไปแล้วกายก็เกี่ยวกับกายไม่ได้เกี่ยวกับจิตจิตก็เกี่ยวกับจิตในที่สุดก็ได้รับความสุขล ม, ล ม, ลมลๆแรงๆของตัวเองยินดีพเพลินใจพอใจก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอีกเหมือนเดิมในที่สุดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับรูปธปรรม ท, ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเสื่อมต้องสิน้นต้องสลายต้องเป็นไปตามคติของมันไม่ได้อะไรสักอย่างเราพิจารณาดูแล้วคือเปล่ปาๆนี่แหละคือเปล่ปาๆคือศูนย์เปล่าที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าศูนย์เปล่า โลกนี่ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยศูนย์เปล่าว่างเปล่ารูปธรรมก็เป็นเรื่องของรูปธรรมไปนามธรรมก็เป็นเรื่องของนามธรรมไปแต่หากมีความมาเกี่ยวข้องมาผูกพันกันด้วยอํำนาจของความลุ่มหลงคือจิตคือผู้รู้เนี่ยไปลุ่มหลงเองไปลุ่มหลงเองเพราะฉะนั้นท่านจึงพิจารณาแยกแยะส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ให้เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมก็ให้เป็นนามธรรมสิ่งที่พายอยากให้เราต้องการส่วนที่เป็นรูปธรรมจนเป็นเหตุเพลินใจ กับผลรายได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับรูปธรรมต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะเสพสุขเข้าไปที่จิตแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่านะี่ยแหละไม่ต่างอะไรกับหมาแทะกระดูกไม่ต่างอะไรกับหมาแทะกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีอะไรแท้เข้าไปแทะเข้าไ ป, แ, าไปแล้วก็กลืนน้ำลายเจ้าของเองกลืนน้ำลายเจ้าของเองแล้วก็มีความคิดว่าเจ้าของได้ในที่สุดไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเราก็ฟังกันอย่างกันนะ ฝังอยา่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นวัตถุทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกมันเป็นของที่มีความจําเป็นกับกายเราก็ใช้สอยไปตามความมีไปตามความเปลี่ยนไปตามความจําเป็นแต่เราจะเอาความลุ่มหลงยาวความยึดยาวความติดจนเป็นเหตุให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอํานาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมาเกี่ยวข้องทําให้เราต้องเสียพื้นเพของจิตเสียความสงบ เสียความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักของสัตยธรรม ท, ทั่วๆไปอันนี้ก็เป็นการมันก็เป็นการพอกผูนความรุ่มหลงเป็นการพอกผูนอวิชชาท่านจึงให้เราให้เราพิจารณาให้เราศึกษาโดยเฉพาะความสงบนี่แหละเราทำใจให้ได้รับความสงบเถอะทาใจให้ได้รับความสงบเมื่อกว่าเรามีที่อยู่เมือ่อเรามีบ้านอยู่เรามีบ้านอยู่สำหรับหลบแดดหลบร้อนหลบเหลือบหลบยุงหลบสัตว์ ร, ร้ายทั้งหลายทั้งปวง น้อมมาสู่ความสงบของจิตอยู่กับอารมณ์เดียวได้รับความแช่มชื่นเลยได้รับความเบิกบานได้รับความอบอุ่นภายในจิตจิตมันก็ไม่กระสับกระส่ายไม่วุ่นวายไม่เดือดไม่ด่านไม่ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงหน้าไม่ห่วงหลังไม่สับสนโดยเฉพาะจิตที่เราควบคุมไม่ได้ระงับไม่ได้เนี่ยจิตคิดนั้นคิดนี้คิดไปคิดมาคิดหน้าคิดหลังคิดไปจนสับสนบางทีสับสนมาจนถึงตา ตารีตาขวางมันเป็นไปตามอารมณ์ที่มันค้างอยู่ในใจนั่นแหละจนเป็นเห็นให้ตารีตาขวางไปด้วยเนี่ยคือจิตใจสับสนวุ่นวายมันมีสิ่งยุ่ยแย่ให้เราสับสนวุ่นวายเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสงบแล้วมันก็น่าอยู่อะไรที่เป็นเรื่องที่เราทําให้เกิดบ้านอยู่ทําให้เกิดความสงบคือบ้านอยู่ของใจหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้แหละเป็นหลักเอาอันนี้แหละเป็น ห, หลักกําหนดลงมาปุ๊บก็ให้ได้รับความสงบ แล้วก็บริกรรมเข้าไปกำหนดจดจ่อเข้าไปตั้งสติเข้าไปตั้งสัมผััญญะเข้าไปจิตก็เริ่มสงบเข้ามาสงบเข้ามาแลเยือกเย็ยนเข้ามาเยือกเย็นเข้ามาโอกาสที่ความอยากมันจะคอยออกมาทิ่มแทงใจมันก็ออกมาไม่ได้โดยปกติการทํางานของใจเนี่ยเขาจะอยู่กับอารมณ์ที่เด่นชัดอารมณ์ที่เด่นชัดท่านจึงให้เอาสติมากำับเอาสัมสชัญญะามากำับกํากับให้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันอยู่ตรงไหน ความรู้สึกอยู่ตรงไหนความรู้สึกปัจจุบันอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นเรามากํากับอย่างนี้ในเมื่อใจเขาอยู่กับอารมณ์ที่เราเจตนาให้สติกํากับให้สัมปชัญญะกากับอยู่ตรงนี้แล้วโอกาสที่กิริยาอาการของจิตอันเป็นส่วนของกิเลสที่มันจะแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็แทรกมาไม่ได้ตราบใดที่เรายังตรึงกําลังของสติไว้ได้ของสัมปชัญญะไว้ได้ฝ่ายต่ําของกิเลสตัณหาอาสวะ ราคะความยินดีความยินร้ายความพอใจทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะแทรกเข้ามามันก็แทรกมาไม่ได้เนื่องจากว่าอารมณ์ของจิตชัดอยู่กับอารมณ์ของธรรมที่เรากําลังให้เขาอยู่อยู่จนเขาเชื่องจนเขาชินจนเขาอิ่มจนเขาพอถึงแม้ว่าเราจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีกิริยาไม่มีปฏิกิริยาที่จะสอดแทรกเข้ามาจิตได้รับความสงบได้รับความอิ่มเบิบสงบมากสงบน้อยก็สงบไปตามที่เราสั่งสมอบรมนั่นแหละ เป็นลำดับขั้นไปจะเป็นที่หนึ่งลำดับขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสขั้นไหนก็แล้วแต่จะมีความละเอียดมันจะมีความหยาบมันจะมีความลึกความตื้นของความสงบของผู้ปฏิบัติเองนั่นแหละจากนั้นแล้วมีกําลังแล้วเราก็เอามาพิจารณาพิจารณาเพื่อให้รู้หลักของสัจธรรมนั่นแหละถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่รู้หลักของสัจธรรมเมื่อไม่รู้หลักของสัจธรรมก็ไม่รู้คติของมันเมื่อไม่รู้คติของมันก็ทําทให้เราหลงเพลินไปกับมัน ไปกะมันให้เป็นไปตามใจหวังกะสิ่งมันให้เป็นไปตามใจหวังกะสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังโอกาสที่เราจะยอมรับตามสภาพความเป็นจริงของมันเราจะยอมรับไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปรู้ละเอียดลึกซึ้งไปตามหลักของธรรมชาติของมันเราจะต้องมีจิตเป็นพื้นเป็นบาบเป็นฐานมีความสงบเป็นบาบเป็นฐาน กำหนดพิจารณาไปกรองไปพิจารณาไปแยกแยะไปดูไปการดูแบบนี้ด an ูให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเมื่อเราดูให้ได้รับรู้หลักของธรรมชาติแล้วเราก mm ็ยอมรับในเมื ismus, us, yes, ่อเรายอมรับสิ่งนั้นกิเลสมันก็ไม่มาเสกสรรปั้นแต่งให้เรายึดให้เราเกาะให้เรากะให้เราเกณฑ์เพราะมันรู้ว่าอันนี้คือภาวะความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้ภาวะความเป็นจริงของอันนี้อันนี้ความมีภาวะความเป็นจริงอย่างนี้เช่นอย่างสังขาร ร่างกายมัน <Todos> ม <olo i> ีภาวะที่จะต้องเปลี going, ่ยนแปลงอย่างนี้อย so ่างนี้อย่างนี้มันมีภาวะที่จะต้องบกพร่องอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เหมือนอย่างเรานั่งภาวนานานๆเนี่ยพอเรานั่งไปนั่งไปมันก็ไปกดมันก็ไปทับร่างกายมันก็ทํางานไม่ได้ตามเป็นปกติของมันพอเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นแหละความทุกข์ความเจ็บความปวดมันก็แสดงให้ปรากฏทันทีเราเรียกตามหลักศัพท์อนิวาททุก เป็นทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเกิดมา ท, าทันทีบางทีไม่ถึงหนึ่งชั่วโม ง, งแค่ครึ่งชั่วโมงบางคนนั่งเจ็บปวดดินเดาดิดวซ้ายเดวขวาความเจ็บความปวดเนื่องจากจิตเราไม่ค่อยกําหนดอย่างเข้ามารู้เข้ามาทราบเข้ามาเข้าใจตรงนี้เราก็จะอยู่ยากแค่นี้เราก็อยู่ยากแล้วเราก็ทนยากทั้งๆที่เวทนาอันนี้ก็คือธรรมชาติอันหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมา มันเป็นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เราต้องอดเป็นเหตุให้เราต้องทนถ้าเราจะพูดตามภาษาสมมุติเราก็คือมันเจ็บก็คือมันปวด น, นั่นแหละแต่ถ้าเราดูโดยหลักธรรมชาติแท้เราดูไปที่เนื้อแท้ของมันมันคืออะไรมันเป็นอะไรโดยที่เราไม่ให้คําสมมุติว่าเจ็บคําสมมุติว่าปวดมาเกี่ยวข้องภายในจิตของเราจนเป็นเหตุให้เราต้องเหลืออดเหลือทนไม่ให้คําสมมุติต่างๆเหล่านี้มาโผล่มาปรากฏดูไปเฉพาะเนื้อแท้ของมันที่มันเป็น ที่ท่านเรียกว่าเวทนาเนื้อแท้ของเวทนาแท้ๆเพราะเรากำลหมดจดจ่อเข้าไปตรงนั้นได้จิตของเราก็ละเอียดเข้าไปอยู่กับเวท น, าเ ว, น า, ววาเวท น, นาสัตกว่าเวทนาเวทนาสักว่าเวทนาไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีใครเจ็บไม่มีใครปวดเข้าไปอยู่ไอ้ตรงที่เราเห็นว่ามันเจ็บเจ็บปวดปวดร้อนๆนั่นแหละแล้วก็ทำความยอมรับว่าเอออันนี้คือธรรมชาติอันหนึ่งของมันอันนี้คือธรรมชาติอันหนึ่งของมันแล้วก็มันมั น, ม, นมันละเอียดนะถ้าเราเข้าไป ตรงนี้ได้จิตของเราก็ละเอียดจากนั้นแล้วท่านก็ให้ดูผู้รู้ผู้รู้ว่าเรามีความเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นก็คือจิตก็คือผู้รู้ท่านจึงให้ดูเวทนาท่านยิ่งให้ดูจิตเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนาพยายามดูพยายามแยกแยะตรงนี้ให้ออกไม่งั้นเราเราจะนั่งนั่งอดนั่งทนไปแบบแบบต้องอดต้องทนทุกข์ทรมาน บางทีร่างกายมันทุบพอแรงแล้วด้วยเหตุที่ใจปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้เข้าถึงหลักภาวะของธรรมชาติไม่ได้ใจก็ทุกดิ้นเดาวๆๆๆเนี่สองนาทีสมนาทีห้านาทีผ่านไปเนี่ยโอ้รู้สึกเป็นกลับเป็นกันนั่นกว่าจะผ่านไปได้แต่ละแต่ละขณะจิตเนี่ยก็เหลือแบกเหลื อ, ลอทนทั้งจะแบ่งรับแบ่งสู้ทั้งจะปล่อยทั้งจะรือ้อบรร ล, ลังแหละทั้งจะพลิกให้ทั้งจะอะไรให้สารพัดเนี่ยนี่คือหลักธรรมชาติ ธรรมชาติอันนี้มันจะเด่นนะถ้าเรานั่ง30สบนาทีสี่ิบนาทีห้สิบนาทีชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้เรานั่งชั่วโมงครึ่งมาถึงขั้นชั่วโมงครึ่งนี่ก็รู้สึกรู้สึกว่าเจ็บแสบปวดร้อนทอรมานพอสมควรเ ร, เราลองพิจารณาดูเถเราลองพิจารณาดูถ้าจิตเราไม่น้อมลงสู่ความสงบอย่างแท้จริงจิตออกมารับรู้ทุกขเวทนาตอนนั้นเราก็จับใส่งานเลยจับมาพิจารณามาพิจารณา เข้าไปอยู่กับตัวทุกข์นี่แหละเข้าไปอยู่กับเวทนาตัวที่เห็นว่าทุกข์ที่สุดร้อนที่สุดปวดที่สุดแสบที่สุดดูให้เห็นเนื้อแท้ดูให้เห็นเนื้อแท้ของมันอย่าให้สมมติบัญญัติโผล่ขึ้นมาเข้าไปอยู่ตรงที่ประมัติสัตว์ประมัติสัตว์ตรงนั้นแหละท่านเรียกว่าหลักของสภาวะธรรมหลักสภาวะธรรมสภาพของตัวเวทนาเวทนาให้จิตมันไปอยู่อันนั้นให้อันนั้นเป็นจิต เอากิตไปอยู่กับตรงนั้นเลยเอาจิตทําความรู้ให้เท่าความเจ็บความปวดนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าทําความรู้เท่าทําความรู้เท่าทําใจให้รู้เท่าเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยดูไปตรงที่เนื้อมันจะแท้เป็นยังไงมันเป็นยังไงมันมันแสบมันปวดมันร้อนมันอะไรยังไงเนี่ยทาใจให้เท่าทําใจให้รู้เท่าแท้จริงก็คือรู้เท่าถันมันมันคนละอันกันมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ถ้าเรา ทำความรู้สึกทําการพิจารณาไม่เต็มรอบหรือรอบไม่ทันเนี่ยเราก็ไม่ทันมันซะในเมื่อเราไม่ทันมันตัวตั้หาตัวความอยากพอมันถึงตอนนี้ตัวความอยากมันจะโผล่มาอย่างไงมันจะโผลมาว่ามันอยากไม่ปวดนะมันรู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนจนเหลือดอดเลือดทนมันอยากมันมีความอยากไม่ปวดนะพอมันเกิดความไม่อยากปวดมันก็จะพาเปลี่ยนล้วที่นี้ มันจะพาพลิกพารือนี่คือวิธีการแก้วิธีการแก้ปัญหาของกิเลสกิเลสมันก็แก้โดยที่มันลบล้างสัจธรรมเนี่ยกิเลสมันลบล้างสัจธรรมเพื่อให้ถูก อ, อกถูกใจถูก อ, อกถูกใจก็คือมันจะไม่ต้องอยู่กับอารมณ์ที่มันต้องทุกข์ต้องทนเหมือนกับเลือดอดเลือดทนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือความยึดความถือที่เรียกว่าอุ ป, ปาทานนี่แหละคืออุ ป, ปาทานถ้าใครทํามาถึงตรงนี้แล้วเกิดความ รู้เกิดความเข้าใจละเอียดลึกลงไปอุปาทานก็มีมีน้อยลงโอกาสที่จะเข้าไปอยู่กับหลักสัจธรรมอย่างแท้จริงได้อย่างอย่างง่ายดายอุปาทานก็เบาอุป า, ท า, า, ปาทานก็เบาไปบางไปอุปาทานคือความยึดว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นของของเราสิ่งเหลนี้ต้องโผล่มาถ้ามันไม่โผล่มาเราก็สามารถจะอยู่กับหลักธรรมชาติตัวนี้ได้แต่ถ้ามันโผล่มาแล้วเราเพระต้องรื้อบรรลังการที่รื้อบัรลังหมายความว่า รอบของสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยรอบจัดรอบจัดไม่พอในเมื่อรอบจัดไม่พอมันก็เกิดช่องเมื่อเกิดช่องเคลื่อมันก็แทรกเข้ามาตัญหามันแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาว่าไงคือความอยากมันแทรกเข้ามาว่าอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดเสร็จแล้วมันก็แก้ปัญหาเข้ามันซะแก้ปัญหาเข้ามันคือมันลบล้างสัจธรรมลบล้างสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้านี่เรามีความรู้เรามีความเข้าใจตรงนี้เราก็เอาหลักตรงนี้มากำหนดจดจ่อมาพิจารณา จนสามารถเข้าถึงหลักของสัจธรรมกายก็สักเท่าไหเป็นกายไปเวทนาความเจ็บความปว ด, วปวดวก็สักเท่าไหเป็นเวทนาจิตก็ถอยออกมาจิตก็คือผู้รู้จิตก็คือผู้รู้เวทนาเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาแต่ถ้าจิตไม่เข้าถึงหลักธ ร, รรมชาติตามเป็นจริงแล้วจิตก็จะยินดีกับความไม่เจ็บไม่ปวดจิตจะยินร้ายกับความเจ็บความปวดจิตยินดีจิตยินร้ายนี้เอง มันเป็นทุกขเวทนาทางจิตมันเป็นโทมนัสเวทนามันเป็นโทมนัสเวทนาถ้าหากจิตได้รับโทมนัสเวทนาแล้วนั่นแหละถึงที่สุดแล้วถ้าหากเราไม่มีอะไรมาลบล้างละเขาต้องจะต้องได้รื้อบรรลังแล้วจะต้องได้รื้อบรรลังเพราะว่าอัตตา ต, ตัวตนมาเต็มแปร่ล้ะนี่วิธีการต่อสู้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราผ่านตรงนี้ไปได้เราเข้ามาอยู่หลักกับหลักสัจธรรมตรงนี้ได้เราอยู่เท่าไรเท่ากันเราอยู่ได้ เพราะว่ากายก็เป็นกายกายก็เป็นเรื่องของกายไปถึงแม้ว่าจิตเราจะสงบไปจนมิดจอมิดหายเงียบไปบางทีไม่จอมิดหายไปรับรู้แต่ก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามภาวะของมันจากนั้นเราก็มากําหนดดูความพลิกแปลของจิตคือความขึ้นขึ้นลงลความกําหนดจดจ่อความตั้งอยู่และความเปลี่ยนไปความตั้งอยู่กับความเปลี่ยนไปความตั้งอยู่คือคือมาตั้งอยู่ที่จิตชัดที่จิตแล้วความเปลี่ยนไปที่จิต มาตั้งอยู่ที่จิตแล้วความเปลี่ยนไปที่จิตมันจะไม่ไปไหนมันจะไม่ไปไหนเพราะว่ามันอยู่หน้าสิวหน้าขวา ม, มันอยู่หน้าหลักสัจธรรมตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้รับความทุกข์มาใส่ใจจิตก็สงบอย่างหนึ่งถึงไม่สงบก็อยู่ต่อหน้าสัจธรรมหลักสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ปรากฏเฉพาะหน้านี่คือสัจธรรมที่เราควรยังเข้าไปถึงรูปธรรมมันก็เกิดเกิดขึ้นเพรามันมันก็ดับไปเพราะมัน มันเปลี่ยนไปข้างมันความเปลี่ยนไปข้างมันเนี่ยเราเรียกว่ามันดับไปข้างมันอารมณ์ของจิตจิตปลารอบอะไรปรารอรูปปลารอเสียงปลารอกายปรารอเวทนาหรือปลารออะไรก็ตามเวลาปลารอมันก็เกิดขึ้นเวลาปลารอมันก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาเราตั้งอยู่มก็เกิดขึ้นพอล่วงไปมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปลารอบเกิดขึ้นปลารอเกิดขึ้นเราประคองอยู่มันก็อยู่เรากําหนดจดจ่ออยู่กับอยู่กับอย่างนี้นหละ จิตเข้ามาเข้ามารู้รู้หลักของสัจธรรมอันนี้ก็เป็นอันนึงถ้าหากเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ความชุ่มชื่นของจิตความเปลี่ยนพื้นเพของจิตความฉับไวของจิตสติคือความระ ล, ลึกได้ของจิตสำคัญยะความรู้ตัวของจิตเนี่ยมันจะแน่นหนามันคงโอกาสที่จิตจะสอดแทรกละเอียดดึกซึ้งไปกับหลักของสภาวะธรรม ในส่วนที่จะมาจะพึงมาปรากฏเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะมันสามารถจะสอดแทรกรู้เข้าไปได้รู้เข้าไปได้โดยตลอดนี่คือความละเอียดของจิตทำทำได้แค่นี้ก็เป็นเป็นบาดเป็นฐานเราจะกําหนดจดจ่อกับภาวะ อ, อะไรที่อยู่รอบข้างตัวเรากับสัตว์กับบุคคลกับสิง่งกับของกับอะไรต่ออะไรเนี่ยในเมื่อมันได้หลักอันหนึ่งแล้วมันก็เป็นโดยหลักธรรมชาติของมันเองมันจะมีการมาเทียบมาเปรียบในตัวของตัวมันเอง ตัวของเรามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตัวของเขามีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงภาวะอันนั้นมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบมีความรู้มีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ดูจะเป็นด่านแรกโดยซ้ําไปถ้าเราผ่านตรงนี้ไม่ได้เราก็เราก็จะทํางานตรงนี้ยากมากเพกจิตไม่ได้รับความสงบไม่ใช่ว่าเราเรานั่งปุ๊บ ป, ปั๊บแล้วก็จิตจะหัวภาพสงบ แน่นิ่งลงไปเพราะเราอยู่อยู่ไปแล้วมันล่วงเวลาไปล่วงเวลาไปครึ่งชั่วโม ง, โอมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสมชั่วโมงถ้าเราอยากทราบเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องคลิกซ้ายไม่ต้องเปลี่ยนขวาในเมื่อเราไม่เปลี่ยนเราก็จะมาประสบอันนี้เราก็ต้องมาทําความรอบรู้มาทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เราเข้าใจตรงนี้ได้ก็ได้เป็นพื้นเป็นเพเ ป, นเป็นบาทเป็นฐานได้เป็นอย่างดีโอกาสที่เราจะนั่งทํางานให้มีมีความละเอียด แล้วก็ก้าวหน้าต่อไปของงานเราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้ทําไมอย่างนั้นเรามาถึงตรงนี้เราก็รือ้อพอเรานั่งมาถึงตรงนี้เราก็รือ้อมาถึงตรงนี้เราก็รือ้อพอเรารือ้อแล้วเราก็ปล่อยเมื่อเราปล่อยกิเลส ท, ที่มันเคยยำเกรงเราเนื่องจากเราเอาสติทําเอาสัมปชัญญะทำมากับมันก็เข้ามาแทนที่ในเมื่อมันมาแทนที่มันก็ดึงไปตามอํานาจของมันอะไร รุงนึกคิดไปตามเรื่องตามราวที่เคยมีที่เคยเป็นเหมือนเดิมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ตั้งความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องตั้งความระมัดระวังไว้อย่างต่อเนื่องเราอยู่ในท่าทีที่จิตได้รับความสงบพิจารณาแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ขยับออกมาก็ไม่ปล่อยให้สติสมัมปชัญญะห่างออกจากตัวถ้ายังจะบริกรรมได้ระลึกนึกภายในจิตได้ก็ให้ระลึกนึกภายในจิตเพื่อเป็นการระมัด ร, ระวังเพื่อเป็นการมัดจิตเพื่อเป็นการระมัด ร, ระวังจิต อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดทําความรู้สึกอยู่กับกายตลอดทําความรู้สึกอยู่กับจิตตลอดจิตอยู่กับกายกายอยู่กับความระลึกรู้ของจิตตลอดนี่ก็ถือว่าเป็นการทําความเพียรได้อย่างต่อเนื่องพอขับปรขอบไปด้วยผลก็จะเจริญขึ้นคนก็จะเจริญขึ้นสิ่งที่แปลกประอลาดชั่งก็พร้อมที่จะเจริญขึ้นเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยก็จะเกิดขึ้นไปด้วยเราจะรู้สึกแปลกประหลาดในจิตของเรา จะรู้สึกว่ามันเบาจะรู้สึกว่ามันคล่องรู้สึกมันปลอดปโปรง่งรู้สึกว่าทะลุผูโปร่ปปรงอย่างดูอะไรครับเหมือนกับทะลุผูกโปร่ปปรงดูไปก็เหมือนกับมีความสว่างสวัยเวลาเรากํหาหนดทําความภาคความเพียรเราหมุนมาอยู่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็เป็นวิหารธรรมอันหนึ่งตรงนี้กลายเป็นวิหารธรรมของเราเราจะปล่อยบ้าง แล้วกําหนดจดจอบ้างปล่อยบ้างกําหนดจดจอบ้างเขาก็ไม่ไปมันมันมันมันละเอียดกับมันรวดเร็วรวดเร็วการที่จะออกมาวินิจฉัยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นมโนภาพที่เป็นรูปประสัญญาภายในจิตก็ตามมันก็ทําหน้าที่พอๆกับที่ตาเราเห็นรูปนั่นแหละแต่มันละเอียดลออลึกซึ้ง พร้อมที่จะทําให้จิติหลงไปได้ง่ายกว่ารูปทางตาอีกกันเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับจิตแล้วถ้าปล่อยเผลอไปหลงไปแล้วก็ไปเลยพาจิตไปเลยชักจิตไปเลยแต่ถ้าหากเรามีตาประสบรูปข้างนอกนี่เรายังจะพอมีตายังจะพอมีรูปเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกขึ้นโอกาสที่จะมันจะดึงไปก็อาจจะยังยากหน่อยบางทีเราเห็นเราก็สักแต่ว่าเห็น ใจเราไม่ได้ไ ป, yo, ไปอยู่กับสิ่งที่เราเห็นเราอยู่อยู่กับเนื้อกับตัวใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ยังเป็นตัวของตัวแต่ถ้าหากไม่มีสติไม่มีสัมผััญญาเนี่ยเห็นปั๊บก็จิตก็ไปอยู่กับสิ่งที่เห็นนั่นแหละสิ่งที่เห็นดีหรือไม่ดีจิตไปอยู่ที่นุ่นไม่ได้อยู่ที่กายนี้ไม่ได้อยู่ที่กายนี้แต่ถ้าหากมันรวงออกมาทางสัญญาด้วยแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นเพของจิตมันรวงมาที่จิต โอกาสที่เราจะรู้เท่าทันมันยากจนกว่ามันจะล่วงไปมารู้ทั้งกี่ขณะกว่าเราจะรู้สึกตัวได้เพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังให้มากกว่าข้างนอกที่ซ้ําไปสิ่งที่เป็นธรรมารมอารมณ์ปรากฏที่จิตนั่นแหละจะเป็นรูปก็ตามรูปข้างนอกเราเห็นปั๊บพอเราหลับตามันตกเข้าไปข้างในมันไปอยู่ข้างในเพราะมันตกไปอยู่ข้างในแล้วรูปข้างในไม่ใช่จะเป็นรูปนิ่งมันเป็นรูปเหมือนกับรูปเป็นๆนี่แหละมันเป็นไปตามที่จิตมันวาด มันวาดยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นน่ะวาดดีวา ด, ด, วาดสวยวาดงามมันก็วาดไปละเราก็ดูมันมันวาดไปมันวาดไปตามเรื่องของมันน่ะสิ่งที่ดีสิ่งที่งามแล้วก็ดูดมาดึงมาเอามาขยับเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลสําเร็จตามที่จิตมันวาดต่างๆเหล่านั้นะสิ่งควรจะดูดสิ่งควรจะดื่มสิ่งควรจะกินสิ่งควรจะสัมผัส สิ่งควรจะถูกต้องมันก็มีกิริยาอาการเหมือ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเหมือนอย่างที่เราดูหนังนั่นแหละแต่เราหลับตาอารมณ์ของสัญญานี้มันก็สามารถจะหลอกเราได้ทีนี้เราดูยังไงถ้าเราดูเราดูด้วยด้วยการมีสติพอเรากำหนดปับเราดูด้วยการมีสติถ้ารูปประสัญญาตัวนี้มันยังไม่ดับไปรูปประสัญญาตัวนี้ก็ยังไม่ดับไปเราก็ใช้สติตัวนี้นะดูสัญญาดูสัญญาสัญญามันก็สักถ้าว่าสัญญา สัญญาคือจำได้คือความหมายของจิตคือกิริย า, าการของจิตแต่ถ้าเรารู้เราทันแล้วมันก็มันก็จะหมดไปเรื่อแต่จิตผู้รู้เด่นชัดอยู่สิ่งเหล่านั้นมันก็จะดับไปีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับกายของเราอยู่กับจิตของเราทุกระยะทุกเวลาเราเอามาเป็นเครื่องดูเป็นเครื่องฝึกฝึกฝนเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องฝึกซ้อมได้เพื่อความรู้เพื่อความฉลาดเข้าไปข้างในภายในจิตของเรา รู้สึกยาะฟังย่างแหละแต่ถ้าหากเราหมุนมาข้างในดูข้างในได้เราก็ได้ข้อคิดแล้วเราไปคิดไปอ่านเองได้เป็นร้อยแปดพันอย่างอะไม่จบสิ้นสลับมือใจของใครของใครที่สำคัญที่สุดคือพยายามดูให้เห็นหลักของสัจธรรมนั่นแหละเห็นหลักของอนิจจังเห็นหลักของทุกขงังเห็นหลักของอนัตตา ความที่จิตยึดอะไรไม่ได้ตามใจหวางสักอย่างนั่นแหละอนัตตา น, นั้นโดยเฉพาะกายเนี่ยยึดอะไรให้เป็นไปตามอำนาจของจิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้สักอย่างกายก็เป็นไปตามเรื่องของกายเราก็ดูไปที่เหตุที่ผลของมันเหตุผลของกายก็คือเรื่องของเหตุผลของกายแต่เหตุผลของจิตก็คือเรื่องของจิตไปแต่จิตจะมากะเกณฑ์บังคับกายให้เป็นไปตามที่จิตหวังย่อมเป็นไปไม่ได้ ทำให้เราทราบว่าโอ้มันคนละเหตุคนละผลมันจะกระเกฑ์มันจะบังคับบัญชากันไปไม่ได้แม้แต่รูปกายอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจิตได้มันเกี่ยวข้องได้ด้วยอํานาจกรรมมันเกี่ยวข้องกันได้ด้วยอํานาจกรรมเพราะว่าใจมันมีวิบากกรรมมันก็เป็นผลผลอันหนึ่งที่ทําให้เกิดรูปธรรมขึ้นมาเพื่อจิตตัวนี้จะได้มาเกี่ยวข้องกันจะได้มาจับมาจองได้รูปดีได้รูปไม่ดี ได้รูปมีภาวะเป็นสัตว์ได้รูปมีภาวะเป็นคนได้ไปตามอํานาจของกรรมตามอํานาจของวิบากกรรมอันั้นนี่นนมันมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเหมือนกันนะแต่โดยเนื้อหาของรูปธรรมแท้เนี่ยเราก็ได้มาจากพอ่อได้มาจากแม่แต่ว่าด้วยเหตุที่กรรมที่มีอยู่ภายในจิตก็เข้ามาเกาะมากลุมมาเกี่ยวข้องมาจาับมาจองเนี่ยโดยเหตุผลที่แท้จริงก็คือเท่ากับว่าเขามาสวมรอยฉันนั่นเอง มาสวมรอยจับจองเสร็จแล้วทําให้รู ป, ปรธรรมอันนี้เจริญวัฒนาทาวารเพตา อ, อํานาจของกรรมกรรมที่เข้ามาเกี่ยวมาคล้องแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงของเขาก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่เคลือบมาเป็นสิ่งที่แฝงมาเป็นสังขารที่หลายๆอย่างมาประกอบกันทำให้มีรูปประสังขารทำให้มีมีนามปรสังขารขึ้นมาอาศัยอํานาจกรรมคือภาวะของจิตที่สร้าง สร้างกรรมลงไปที่จิตแล้วก็จิตก็อมพลังของอํานาจกรรมนั่นแนหะมาที่จิตพอเวลาจิตมาจับจองกับรูปธรรมอันไหนที่เกี่ยวข้องกับรูปธรรมอย่างไรมันก็เป็นไปนตามอานาจของกรรมที่มีอยู่ภายใ น, นจิตมันก็ยังมีความเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ว่าเหตุปัจจัยของรูปแท้เนี่ยเหตุปัจจัยของรูปแท้เนี่ยมันเป็นขึ้นมาจากสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริง คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอมาเกี่ยวข้องกันแล้วก็พยายามบังคับบัญชาพยายามกะเกณให้เป็นเป็ น, ป น, ปนตามอานาจของจิตแต่มันก็เป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไป ไ, ได้ตามอํานาจกรรมที่มา เ, เกี่ยวข้องกันเท่านั้นเองบังคับบัญชาให้เกินมากไปกว่านั้นครับเป็นไปไม่ได้มายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนด้วยเหตุที่ยึดไม่ได้ถือไม่ได้กะไม่ได้เกณไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เนี่ย ท่านคิดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไปตามภาวะของสังขารที่ปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยไอ้คําว่าปรุงแต่งของเขาเนี่ยเขาจะสืบช่วงกันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปทุกระยะเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปทุกระยะโดยเฉพาะอย่างรูปที่มีชีวิตน่ยเช่นอย่างมนุษย์เช่นอย่างสัตว์อยเงี้ยเช่นอย่างเนื้อหนังของเราเนี่ยเขาพูดละเอียดลึกเข้าไปอีกว่าเซลเซนเซนก็คือกลุ่มชีวิตของ แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่อยู่ในเนื้อในเลือดเขาว่ามีชีวิตแต่ละชีวิตที่มันเกาะกลุ่มกันอยู่มันเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นเซลเป็นเซลนั่นแหะมันมีกลุ่มชีวิตเล็กๆมันเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วเราก็มากกาะเกี่ยวข้องกันนะเกาะเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่แต่แล้วม <fantastic. S 2> ันก็ไม่อยู่นิ่งนะมันก็ขยับขยายมันก็เปลี่ยนแปลงตัวมันจากกลุ่มเล็กๆก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่คะแนงไปเรื่อยก็ทําให้กลุ่มใหญ่ต้องปล่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่แะแนงไปเรื่อยคือภาวะไม่คงที่ มันไม่อยู่กับที่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อย ม, มันเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยมันปรุงตัวมันไปเรื่อยมันเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยอันนี้จังอันนี้จังทุกขังแต่ทุกขังทุกขสภาวะอันนี้มันคือความทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แต่ทุกข์ที่เราทนไม่ได้เราเจ็บเราปวดอันนี้เป็นทุกขเวทนาอันนี้มันเป็นทุกขเวทนาคืออิจรับรู้ภาวะของกายที่มันไม่ปกติในเมื่อมันไม่ปกติมันก็เจ็บมันก็ปวดขึ้นมา อันนี้เป็นทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าทุกขสภาวะที่แท้จริงก็คือมันทนในภาวะเดิมเพราะมันไม่ได้ความไม่ปกติของกายเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยจิตมันก็ไม่ชอบใจมันมันก็ไม่ต้องการเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องอดต้องทนเหลือกดเหลือทนมันไม่ชอบใจมันไม่ต้องการเพราะกิเลสมันให้ดูว่าเพื่อจะให้ชอบใจเพื่อจะให้ต้องการแต่ไม่เป็นไปตามนั้นมันก็ไม่ชอบมันก็ปัดออกทันที แต่ถ้าเป็นเรื่องเอาสติทำเอาปัญญา ร, รมเข้ามาดูแล้วเราก็เข้ามารู้แล้วก็เข้าม า, ม า, เ, ข า, มาเข้าใจนะสภาวะธรรมก็สัตว์ว่าเป็นสภาวะธรรมนี่แหละท่านท่านว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นไปนตามภาวะของมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนดูย่อยละเอียดไปไปจนถึงกลุ่มเซลล์เล็กๆท่านใช้คําว่าปรมาณูท่านใช้คํ า, าว่าอนนะูละเอียดลงไป มากกว่าปรามานูท่าว่าอูเอียดละเอีย ด, ยดจนขนาดไหนก็ไม่รู้แหละไปอ่านดูท่านมีมาตรากระจายอยู่ไม่รู้กี่อนูเป็นหนึ่งปรามานูไปไ ป, ไปดูมีอยู่เนี่ยดูให้ละเอียดฟังแต่ว่ารูปปัธรรม ท, ที่ท่านพูดไว้ในหลักท่านบอกว่ารูปรูปปัธรรมของพ่อของแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาผสมกันเล็กเท่ากับน้ำมันงาที่ติด อ, อยู่ ที่ปลายขนจามาเรียะกู่สลัดไปแล้วเจ็ดครั้งเรามองไม่เห็นและละเอียดมากมืไปเกาะเกี่ยวข้องกันแล้วก็เจริญมาแล้วขยับตัวขึ้นมาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาขยายตัวเข้ามาขยายตัวขึ้นมานี่คือกลุ่มของสังขารที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วก็ทําให้เกิดนู่นทำให้เกิดนี่เราจะเห็นว่าชีวิตทั้งหลายในโลกนี้เราไปดูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ที่มีสัญชาติญาณสัตว์ที่มีความรู้สึก เดินได้อะไรได้สัตว์ที่ไม่มีความรู้สึกมีแต่สัญชาตญาณเราไปดูหลักของชีว ว, วิทยาไปดูมีมากมายเยอะแ ย, ยะทั่วๆไปซึ่งเกิดขึ้นจากสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกี่ยวข้องกันเองทีนี้เรามาพิจารณาถึงคนเนี่ยคนมันเป็นสภาพที่ใหญ่แล้วมีความเกี่ยวข้องกับจิตแล้วก็เป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์อยู่นองเนือมพุทธเจ้าก็เลยหาวิธีออกจากความทุกข์เป็นเหตุให้เราต้องได้มาศึกษาได้มาพิจารณา ให้เข้าถึงหลักของความจริงอย่างนี้อก็จะทําให้เราไม่ยึดกายนี้จะทําให้เราไม่ยึดจิตนี้เนื่องจากว่าเราเข้ามารู้เหตุเข้ามารู้ปัจจัยแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางอ่าที่เราเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ปล่อยไปโดยอัตโนมัติเข้ามาในเมื่อมันปล่อยแล้วก็เราก็ไม่สนใจแล้วสิ่งที่เราไม่สนใจเรื่องอะไรเราจะไปผูกใจเกี่ยวข้อง จิตก็เป็นตัวของตัวไม่ไปติดกับสิ่งนั้นไม่ไปติดกับสิ่งนี้เมื่อปล่อยบางได้เมื่อละปาทานได้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเหตุที่เราปล่อยไม่ได้เราไปเกี่ยวข้องนั่นแหละเป็นเหตุให้เราต้องไปได้พบได้ชักเราจะต้องไปเกิดในภพในชาติก็เกิดเป็นรูปเกิดเป็นชีวิตเกิดเป็นอะไรต่ออะไรไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ได้แก่ได้เจ็บได้ตายแต่ละเกิดอีกก็ได้แก่ได้เจ็บได้ตายเกิดอีกได้แก่ได้เจ็บได้ตายไม่จบไม่สิ้น จะสิ้นสุดกันได้ด้วยอํานาจของปัญญามาพิจารณาสร้างบ้านให้ได้อยู่เมื่อได้บ้านอยู่แล้วก็เราก็ได้หางานทําหางานทําเพื่อจะหาหาผลกําไรหาผลไรายได้จากการที่เราทํางานเนี่ยคือมาสอดรู้สอดเห็นทำความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักสัจธรรมนี้เพื่อจะก้าวพ้นจากกองทุกกองโทษในวัฏจักสงสารเนี่ยเรื่พอสมควรละ